อภริหารนิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อม เ, อเรียกอปริหารนิยธรรมมีเจอย่างขอชุดท้ายบอกว่าที่ไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ก็คื อ, อภิกษุสัมมาเดชที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ตั้งใจทำใจให้กว้าง ไม่ใช่ไปเห็นคนมามากเราก็จะหน้าบูดหน้าเปรี้ยวพราะเราเป็นพุทธบริษัทมันก็ต้องยอมรับในผู้ที่มาเกี่ยวข้องมาทางที่ดีมาในทางที่ดีมาหากาันมาเจอมาพบกันในทางที่ดีเราก็ยินดีพบเบ้นเสียธรรมาในทางที่ไม่ดีหาเรื่องหาเรากรเรื่องกรราที่มันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะคบหลีกลี้หนีในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง การแสวงหาครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะั่นแหละที่บวชเข้ามาถ้าว่าผู้หวังความเจริญแล้วก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ใครเป็นผู้ให้ความรู้ความฉลาดแก่เราเราก็ยกย่องเชิดชูนับถือที่ว่าชักจูงเราให้รู้จักครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ลึกซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพ่อแม่ของเราเราก็เทิดทูนส่วนหนึ่งคือเป็นผู้มีพระคุณแนะนำให้พวกเรารู้จักคุณงามความดีอันนี้ก็คือบุปพาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่เหมือนกันเราเทิดทูนยครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็คือเป็นครูบาอาจารย์นันององค์หนึ่ง ต่อมาก็หลวงปูล่ล่าเราก็มาบวชกับท่านท่านก็เป็นครูบาอาจารย์แนะนําสัง่งสอนระดับหนึ่งต่อมาก็มาอยู่กับหลวงปู่จามท่านก็ให้แนวความคิดในระดับหนึ่งเมืเ่อไปอยู่กับหลวงปู่แหวนท่านก็ทําตัวอย่างให้ดูอันนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ระดับหนึ่งจากนั้นก็คบกับครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นพระรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์บ้างก็ได้แนวความคิด เพราะว่าเราศึกษาจากนั้นก็นมาอยู่องค์หลวงตาเป็นเวลาหลายปีนั่นเกิเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าองค์ไหนจะให้ธรรมะถึงใจเราที่สุดอันนั้นอยู่ในใจของเรา อ, อยู่ในใจของเราแต่ถึงยังไงเราเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เธอทูนไว้อยู่เสมอถ้าว่าใครเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้นั้นมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อม แต่ทางว่าไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเห็นความผิดของท่านเล็กๆน้อยๆ น, น, นิดหนึ่งก็มาตำหนิทั้งโกนเลยว่าไม่ดีทั้งหมดอันนั้นแปลว่าเป็นภาลชนมองมาเห็นคุณงามความดีของท่านแม้แต่นิดเดียวอันนั้นแปลว่าเราเป็นภาลชนเป็นผู้มีกิเลสหนานแน่นเพราะฉนั้นควรจะมองตัวเองคุณงามความดีของท่านที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรามีแต่จุดนั้นเราเทิดทูน แต่จุดที่มันไม่ดีเรากอเออจุดนั้นที่มันไม่ดีเราไม่รักเราไม่ชอบเราไม่พอใจแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจะไม่เอาเป็นตัวอย่างจุดนั้นแต่จุดนั้นเออดีที่ท่านพาทำที่ท่านพูดออกมาเป็นแนวทางที่ดีอันนี้แปลว่าเป็นผู้เลือกเฟ้นเอาแต่สิ่งที่ดีจากครูบาอาจารย์จากพอ่อจากแม่ของเราพ่อแม่ของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างไม่ใช่ที่สิ่งที่เราไม่พอใจที่ท่านทา มันก็มีถึงเยอะแยะไปแต่เราจะไปถือสาอย่างนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ที่เราจะยกย่องเชิดชูนับถือก็มีสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่เราก็อยู่ในใจของเราเราก็ไม่แสดงออกมาในจุดนั้นเราเอาเชิดชูบูชาในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามที่เป็นคติตัวอย่างของเราที่เราจะยึดถือปฏิบัติได้ยกตัวอย่างอย่างภาษาบุตรอย่างเนี้ย ท่านเสาะแสวงหาธรำเสาะแสวงหาอาจารย์กับพระโมกขลาไปคนละทิศละทางกันวันหนึ่งท่านก็ไปเห็นพระอัจฉชิกําลังบินธบาติท่านก็มองดูพระอัจฉริเอ้อท่านก็ไม่รู้จักว่าอันนี้คือศาสนาไหนเอพราะว่าพระพุทธศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ก็เห็นพระอัจฉริบินธบาติในกรุงราชคฤห์ การเดินการก้าวเดินสวยงามเหมือนกับมีสติอยู่ทุกอริยบทการเอี้ยวกายการเข้าไปรับบาดการถอยออกมาไม่ใช่แสแสงแต่เป็นผู้มีสติดูแล้วงามคือปาฏิได้พระสารีบุตรเป็นปราฏิมหาปาฏิเป็นที่เรื่องลือในยุคสมัยนั้นว่าท่านสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาไปที่ไหนแปลว่าเหยียบแผ่นดินกระเดืองว่างั้นเถอะเป็นครวญก็เป็นผู้มีปัญญามาก เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายสมัยนั้นจากนั้นท้านก็ดูพระ อ, องค์นี่ส ม, มณะองค์นี่แปลกดูดูแล้วเป็นที่จับตาจับใจถึงในใจว่างั้นจากนั้นก็ติดตามท่านไปเรื่อยๆพราะขณะนั้นกําลังบิณฑบาตอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปถามท่านพอเดินไปพอผ่านพ้นหมู่บ้านไปท่านได้อาหารเพียงพอสําหรับที่จะฉันประจําวันของท่านท่านก็เดินไปเดินออกนอกเมืองไป พอเดินไปท่านก็มองหาที่จะนั่ ง, งไปถึงโคลนต้นไม้ท่านจะหาที่นั่งคือสมัยนั้นพอไปถึงที่ไหนท่านก็นั่งแล้วก็ฉันเลยฉันอาหารในบาทของท่านท่านสมัยนยังไม่เป็นพระนะหนุ่มสารีบุตรนั่ก็เห็นอากับกิริยาอย่างนั้ น, นก็เข้าไปจัดสถานที่นั่งเอาใบไม้เอาอะไรมาปูจากนั้นเอาผ้าปูจากนั้นท่านอาจจะชีท้ทางเขาไปนั่งพอนั่งเสร็จแล้วท่านก็สารีบุตรนี่ก็ ตามปกติปริพายชกท่านก็แต่พายน้ําไปอยู่ติดตัวไปอยู่ท่านก็เอากระติกน้ําไปถวาย อ, อถวายท่านก็ล้างไม้ล้างมือแล้ก็ฉันอาหารขณะที่ฉันท่านก็ฉันด้วยความสํารวมอมืไม่วกแวกนว่ า, างั้นเดี๋ฉันด้วยความสํารวมพอฉันเสร็จแล้วท่านก็ล้างมือแต่นี้ภาษาลิบุตรก็เข้าไปเข้าไปแสดงความเคารพแสดงความวิสาสส์บอกว่าท่าน บวชในสำนักไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านบวชมานานหรือยังแล้วก็ธรรมะที่ท่านได้ที่ท่านซึ้งในใจน่ยที่ท่านปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างพอจะแนะนําผมได้ไหมพระอาจารยชิท่านก็รู้ว่าท่านบอกว่าโยมจากไหนท่านบอกเป็นสารีบุตรเพราะสารีบุตรท่านก็รู้แล้วเออโยมคนนี้เคยได้ยินเป็นผู้มีปัญญาเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งพระอาจารยชีท่านก็บอกอื้ม อาตมาบวชในสำนักศัสดาพุทธเจ้าสมณโคโดมพุทธเจ้าสมณโคโดมเป็นอาจารย์ของอาตมาอาตมาชอบใจในธรรมของท่านสมณโคโดมพุทธเจ้าแต่จากนั้นท่านจะแสดงธรรมให้ผมฟังได้ไหมว่าสมณโคโดมพุทธเจ้าท่านแสดงอะไรบ้างประมวลออกมาให้ชัดเจนเลยว่าเอ ที่แกนที่ธรรมอันสูงสุดที่พุทธเจ้าสํำรับที่ท่านชอบใจที่ว่าพุทธเจ้าท่านสอนเน้นหนักที่จุดไหนท่านอาจจะชี้ท่านก็นบอกว่าท่านออกตัวได้ทั้งที่ท่านเป็นพระรหันธ์นะท่านบอกว่าอาตมาเพิ่งบวชใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชํานาญในพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าให้กว้างขวางได้แต่พูดทะย่อนยอ ด, ยอดได้อยู่ภาสารีบุตรก็เลยอวดจักรดาขึ้นมาเลยว่างั้นแต่ภาษีบุตร ผมเป็นสารลบุตรพร้อมที่จะตีความหมายในเรื่องที่ท่านพูดออกมาได้ไอ้ขา้าแบบผมมีปัญญาเพราะงั้นเถอะที่จะฟังธรรมของท่านได้พอให้พูดตรงจุดก็แล้วกันพระสัจจะเชคก็บอกเออท่านั้นตั้งใจฟังธรรมาจะพูดให้ฟังพอฟังพร้อมแล้วทัานก็นเลยว่าเยธรรมมาเหตุตัพภวะเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุออพระพุทธเจ้าท่านบอกเหตุนั้น บอกจุดนั้นบอกเหตุแห่งเหตุนั้นแล้วมันจะขยายไปสู่ผลอื่นเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ <astian> พอภาษาเริยบุตรได้ฟังเท่านั้นน่ยได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีเลยเหตุมากเกิดมาจากใจทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งหมดเรื่องมหาเหตุทั้งหลายคือออกมาจากใจพอใจผลิตเหตุขึ้นมาผลมก็ ต, อตามมา้อ ง, ต า, ง, ต, า ง, ต, างตามมาเรื่องต่างๆก็ตามมาเลยเพราะนั้นท่านดูที่ใจ เรื่องที่มันจะโกรธมันจะโลภมันจะหลงมันจะรักมันจะเกลียดมันจะชังใครมันมาจากไหนมันมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นต้นตอทั้งหลายมันออกมาจากที่นั่นอันนี้ก็คือที่พระอาติชิยนย่อให้พระสาริบุตรฟังจนได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ถามหาว่าเอออาจารย์ของเราอยู่ไหนเนี่ยถ้าว่าเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยสมณะโคตรมพุทธเจ้าอยู่ไหนเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันนั่นเป็นพระริยาขั้นต้นแล้ว นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่หวั่นไหวแล้วยึดมั่นแล้วนะเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาชชี้กับวัเดือนนี้อยู่วัดปายเวลุวันจากนั้นท่านก็กลับไปหาพระโมกขาลาท่านลาะอัชชีแล้วกลาไปหาพระโมคขาลาพระโมคขาลาก็เห็นโอ้เห็นสารีบุตรดูแจ่มใสเหลือเกินเบิกบานเหลือเกินสดชื่นเหลือเกินท่านคงได้ธรรมม า, มาแน่นอนในวันนี้ ท่านได้อะไรมั้งเออมีพระสารีบุตรกลมากับมาเจอพระโมกคลายังเป็นโยมและเป็นสหายกันอยู่งั้นยังเป็นหนุ่มด้วยกันอยู่เอ้าฟังเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคือเป็นปริพาชกเหมือนกันเป็นลูกน้องของสนใจปริพาชกท่านก็พูดให้ฟังเยธมาเหตุตัพวาเน่ยพอฟังท่านนั้นกับพระโมคขลาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันอีกเหมือนกันนะนั่นหมายว่าเป็นผู้มีธุรีเบาบางและกิเลสเบาบางแล้วจากนั่นก็ บางคนก็จะไปกราบพระพุทธเจ้าเขาไปหาอาจารย์อาจารย์ไม่เห็นด้วยสฉลิชัยน ะ, เ, ะเพราะมันคนศาสนาอื่น เ, เราเป็นคณะอาจารย์ใหญ่แล้วจะไปก้มหัวแก่สมณะโคตรไม่ไดเ้เราไม่ยอมพวกท่านจะไปก็ไปพวกเจ้าจะไปก็ไปลักษณะนี้เป็นอาจารย์คนมาแล้วเพรหมือนกันไม่ยอมเหมืนอนกผลที่สุดพระโมกคลาก็ไปลูกน้องของสฉลิชัยห้าก็ไปด้วยเฉ ส, สิชัยปริพาชก ช้ำ อ, อกช้ำใจอาเจียนเป็นเลือดตายมั้งนั่นเถอะพกเสียใจกับพวกสิปนี้ไปหมดยังเหลือแ ต, ต, ต่ตัวเองคนเดียวนี่แหละคนโง่ไม่รู้จักปรับตัวเองมั้งนั่นเถอะตามไม่จริงก็น่าจะฟังหน้าฟังหลังฟังเหตุฟังผลอันนี้ทิฏิมานะมันขวางกัน้นกิเลสโลภโกรดหลงมันขวางกั้นตัวเองไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเห็นแต่นไหนเห็นแต่ลาบแต่ยศผลทัศนก็เลยตายไป จากนั้นพระสารีบุตรก็พาพวกนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าพระโมคขลาบาเพนอยู่เจ็ดวันสำเร็จเป็นพระหรหันต์พระสารีบุตรบาเพนตอยู่สิวันสำเร็จเป็นพระหรหันต์ที่พระสารีบุตรจะได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์ก็คือหลานชายที่เขามากราบพระพุทธเจ้าที่ถ้ำสุกรขาตาที่ขนาขานะัขะบอกว่า คือไม่พอใจนที่พระพุทธเจ้าเอาลุงตัวเองมาบวชคือภาษาลิบุตรมาบวชเนี่ยไม่พอใจอย่างนั้นลุงเขาตัวเองเป็นทั้งเศรษฐีเป็นทั้งผู้มีปัญญาเนส ม, มณะโคโดมนี่กลับใจอย่านั้นเลกลับใจภาษาลิบุตรเนี่ยให้มาเป็นลูกศิษย์ได้เนี่ยแต่หลานได้ไม่พอใจอย่างมากพระพุทธเจ้าเทศเทศอะไรแนะนำอะไรใฟังเออหลานชายก็บอกว่าอาทีข้านักฆ่ผูกไว้เล็บยาวนะข้าพระเจ้าไม่พอใจในอ่า กับเรื่องของท่านสมมณะโคโดมทั้งหมดอื ừ, ถึงการพูดเรื่องการแสดงอะไรก็ตามไม่พอใจทั้งหมดลักษณะอย่างนั้น่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอควรไม่พอใจในความคิดอันนั้นของเธออีกด้วยพระพุทธเจ้าสัมทับเข้าไปภาษาริบุตรฟังอยู่ข้างหลังนะสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยให้สรุปแล้วก็คือสองประเด็นมันจอเข้าไปหาใจทั้งหมดทั้งประเด็นแรกก็คือเยธรมาเหตุตัตประวันก็คือใจ ตันที่ว่าเธอควรทำความไม่พอใจในความคิดอันนั้นของเธออีกด้วยคล้ายกับว่าทีาคณะบอกว่าผมไม่พอใจในเรื่องของท่า น, นสมณะโครมุตทั้งหมดพระพุทธเจ้ า, าเธอควรทำความไม่พอใจในความคิดอันท่านของเธออีกด้วยไม่พอใจแค่ข้างนอกเดียวเนาะให้ไม่พอใจข้างในด้วยอันนี้คือภาษาริบุตรท่านได้ฟังได้สำเร็จเป็นพระอระหรันต์ ในที่ถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่เบื้องหลังอนี่แหละธรรมะที่ได้ฟังแล้วธรรมะหลอดปอกมางั้นแท่านได้สําเร็จแต่จากนั้นมาท่านสาริบุตรถึงเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามท่านก็ยังระลึกถึงครูบาอาจารย์พระคุณของท่านอัจฉชิยะนะอัจฉริยเป็นผู้เมตพระคุณสําหรับเรามากเลยเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ไฟฉายเราที่เรามืดมาตลอดอแต่นี้ท่านมอบไฟฉายให้เรา เราสามารถที่จะส่องทางไปถึงพระพุทธเจ้าได้ได้ฟังเทศพระพุทธเจา้าเพราะท่านอาจชิเป็นผู้เปิดประตูให้เป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นครั้งแรกนั่นนะจากนั้นอาจชิไปอยู่ในทางทิศตะวันออก ก, ก่อนที่ภาษาลิบุตรจะนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกกล่าบต่อมาต่อมาพระอาจารชิไปทางทิตะวันตกภาษาลิบุตรจะนอนหันหัวไปทางทิ ต, วออว ต, ต ะ, ะตวันตกลตนนนตนต ก, กล่า อาจจะชี้อยู่ทางทิศเหนือภาษาลิบุตรหันหัวไปทางทิศเหนือกราบคือท่านทําอย่างนั้นอยู่ตลอดอจนพระสุพระท่างหลายเขาว่าภาษาริบุตรเป็นมิจฉาทิฐนนไททิ ไ, วนนไปวันหนึ่งกาไปทางทิศใต้วันนึ่งกาไปทางทิศเหนือวันหนึ่งกาไปคนละที่เราทําไปกราบทางบันไดก็กราบอย่างั้น <c oughs> เถอไปฟ้องผู้ใจเจ้าผู้ใจเจ้าก็เรียกพระษาริบุตรมาเป็นไงสาลิบุตรเธอทําไมกราบอย่างนั้นภาษาลิบุตรบอกว่า ข้าพระองค์กราบท่านอาชิชิที่เป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าที่เป็นผู้ที่ให้แสงสว่างแก่ข้าพระเจ้าครั้งแรกเพราะนั้นข้าพระองค์ได้ธรรมะขั้นสูงสุดขึ้นมาก็เพราะท่านอาชิชิเป็นผู้ให้แสงสว่างเพราะนั้นข้าพระองค์ระลึกถึงคุณของท่านอัาชิชิท่านอาชิชิอยู่ในสถานที่ใดก่อนที่จะหลับนอนก็กราบไปทางท่านอาชิชิที่เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ ถึงท่านจะได้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีปัญญาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจา้าท่านก็ยังไม่ลืมครูบาอาจารย์องค์แรกที่ให้ธรรมะที่ให้แสงสว่างของท่านพวกเราอย่างว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ครูโรงเรียนนั่นก็ครูอันหนึ่งที่ให้ความรู้แก่เราสอนนังเสียนสอนนังสือ้อเพราะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ก่อนที่จะสอนอะไรต้องคิดสก่อนเราเป็นครูบาอาจารย์ เราก็ควรทำตัวเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะั่นแหละอย่างหลวงพอ่อเหมือนกันที่จะสอนสิทธิ์นี่ก็ต้องคิดดูคิดแล้วคิดอีกต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างลูกสิทธิ์ลูกน้องที่มาพึ่งพาอาศัยเหมือนกับลูกของเราด้วยความเมตตามีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมีเรื่องอะไรนักกบหนักใจเรื่องอะไรเราในฐานะที่เป็นอาจารย์เราต้องมองทุกอย่างรับทุกอย่าง แน่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าทาเป็นทศวรรษทำเฉยเฉยไป เ, เหมือนกับเป็ดออกไข่อย่างนั้นออกแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นเอันนี้ออกออกแล้วก็ต้องฟักฟักแล้วก็ต้องเลี้ยงว่า ง, งั้นเถอะ เ, เหมือนแม่ไก่จนถึงว่าปีกาขาแข็งพร้อมที่จะบินได้แล้วก็เอ อ, เอาปล่อยไป เ, เหมือนกับลูกไก่ไม่ใช่เหมือนลูกเป็ดว่า ง, งั้นเถอะลูกเป็ดมีแต่ไข่ออกจากก้นแล้วก็แล้วแต่มันจะไปว่างั้น ไก่เนี่ยต้องดูแลนี่ลูกของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้นเพราะนั้นควรจะเชิดชูบูชาพระคุณถ้าผู้ใดไปเชิดชูบูชาพระคุณอยู่ไปในสถานที่ใดก็เป็นผู้ไม่ตกตำ่ำเป็นผู้เจริญยิ่งในธรรมจิตใจก็มีความร่มเย็นพราหมณสุขแปลว่าเป็นผู้มีธรรมในใจระดับหนึ่งยกย่องเชิดชู พระคุณรู้จักบุญคุณเมื่อรู้จักพระคุณอย่างนั้นแล้วก็ใครทําอะไรให้เราเราก็ร ะ, ะลึกถึงบุญคุณของเขาเความโกรธความพยาบามตรอาฆาตจองเวรต่างๆในจิตในใจของเราเถึงจะมีก็ไม่หนักหนาอ่า ง, งั้นแตเ่เบาบางลงได้เพราะความ ร, รบรักเมตตาอยู่ในจิตในใจมีธรรมอยู่ในใจไปที่ไหนก็ไม่จองกรรมจองเวรไปที่ไหนก็ไม่โกรธบุกอาฆาตพยาบามตรกับใครๆทั้งหมด พร้อมที่จะให้อภัยนี่นะคนมีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็ได้แนวความคิดแก่พวกเราทุกๆท่านยกประเด็นยกจ้องนับถือบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเอารับพรในอนุโมทนาให้พร สัพพะโรขวีนิมุตตโนสัพสันตานาวัสโส